วันนี้11กันยา15ปีที่แล้วนะเราคงจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เปนเกิดที่อเมริกานะมีเครื่องบินสองลำไปชนตึก World Trade c เ n อ e r คนตายก็สองสามพันคน เป็นเหตุการณ์ที่ว่าขย่าวโลกนะสะเทือนขวัญทุกวันนี้ผลกระทบนี่ยังปรากฏแผ่กระจายไปทั่วโลกนะแล้วก็คงจะส่งผลเป็นลูกโซ่อีกมากมายเหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในสระเนี่ยก็เกิดคลื่นที่แผ่กระจายไปกว้างทั่วนี้ไอ้คลื่นของผลกระทบของสิบอกันยานี่ก็ ยังไม่หมดเลยนะยังแพ่ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันจะจางคลายไปเมื่อไหรไม่มีที่ไหนนะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะอย่างบ้านเราเนี่ยอยู่กลาจากกัมริกาต้องครึ่งโลกนะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆมกันความวุ่นวายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็เกิดจาก หรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์11กันยาเมื่อส5บปีที่แล้วบางคนจ้องตวไกลตัวไปหน่อยนะสามชายแดนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะเราจะพบว่ามันมีการตรวจนะตรวจกันอย่างแน่นหนามากแม้แต่เจลนะของเหลว หรือว่าน้ำขวดซึ่งดูไม่มีพิษไม่มีภยนะัยเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามขึ้นแล้วถูกตรวจอย่างเข้มงวดนะหยิบเอาอะไรไปก็ไม่ได้แม้กระทั่งคัตเตอร์เนี่ยก็เพาเหตุการณ์11บกันยานยนเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่ข่าวสะเทือนขวันแล้วก็ เป็นแค่สนองความอยากรู้อยากเห็นความตื่นตาตื่นใจเท่านั้นนะแต่จริงจริงมันให้ง่คิดแล้วก็บทเรียนมากมายตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะเกิดขึ้นตอนเช้าที่กรุงนิวยอร์กวันอังคารเพราะว่าที่นั่นในตอนนั้นเนี่ยฟ้าใสนะฟ้าใสแดด ก็ใสนะฟ้าสวยแดดใสะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเดินเล่นนะสบายสบายแต่ปรากฏว่าจูๆ่ๆมัก็กุงนิวยอร์กกลายเป็นนรกขึ้นมาทันทีเลยเพราะตึก r บ d t เท d e ความตายมันมาแบบไม่ทันคาดคิดมาในวันที่สบายสบายแดดดี คล้ายกับซูนามีนะตอนที่เกิดซูนามีที่เมืองไทยเมื่อ26ธันวา47เป็นวันอาทิตย์คนก็กำลังพักผ่อนเล่นน้ำทะเลแดด ก, ก็สวยฟ้าก็ใสจูจจู่มัน ก, ก็กลายเป็นนรกทันทีเลยนะไม่ว่าที่พังงาภูกเก็ตในความตายหรือว่าภาัยพิบัติเนี่ยบ่อยครั้งมันก็มาในช่วงเวลาที่เราคาดไม่ถึง เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกสบายไม่มีใครเตรียมพร้อมหรือระแวดระวังตอนเกิดระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมานี่ก็เหมือนกันนะตอนเช้าอากาศดีจู่ๆทั้งเมืองกลายเป็นนรกเลยคนตายเป็นแสนความตายหรือว่าความภัยพิบัติเนี่ย มันมักจะมาในเวลาที่เราคาดไม่ถึงหรือไม่ทันเตรียมตัวงั้นถ้าเราโยงมาถึงตัวเรานะก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าความตายของเราเองก็อาจจะมาในช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงด้วยเหมือนกันเพราะความตายเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และพยาโยมก็มักจะมาจู่โจมในช่วงเวลาที่เราเผลอนะช่วงเวลาที่เรากาลังเพลินสบายนะนี่ถ้าเรามองเหตุการณ์สกัก ญ, ญารยาละโยมมาถึงตัวเรานะมันก็ทำให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยนะิ่งเรายิ่งถ้าเรานึกภาพคนที่เขากำลังอยู่ในห้องแอร์ mm hmm. กำลังจิบกาแฟาในตึกโ o รเทรดนะกำลังฟังเพลง จูจๆมันก็เกิดเสียงระเบิดไฟลุกไหม้เผาคนตายทั้งเป็นนะอันนี้มันก็ยิ่งทำให้ยิ่งต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการสเปกัรญนานี่มันสร้างความฉิบหายได้มากมายนะทั้งๆที่คนที่ก่อเหตุนี่เขาไม่มีอาวุธเลยเท่าที่จำได้เขามีแค่คัตเตอร์นะ นะเพื่อใช้ในการาขู่บังคับให้ตัวเองให้คนยอมให้ตัวเองเข้าไปในห้องเครื่องบินห้องคนขับนะแล้วก็บังคับเครื่องบินให้พุ่งชนตึก World ลเทรดไม่มีอาวุธอะไรนอกจากแค่คัตเตอร์นะแต่ว่าสามารถจะเปลี่ยนเครื่องบินนะให้กลายเป็นระเบิด สามารถจะโคน่นทำลายตึกทั้งสองตึกให้พังพินาศได้อันนี้มันทำให้นึกถึงคำพูดของท่านติดนธร์ น, นะท่านเป็นพระเซนชาวเวียดนามท่านเคยเขียน็นบทกวีสั้นๆว่าระเบิดมากมายยังไม่แผดกล้องยังนิ่งสงบนะอยู่ในใจคนเมื่อไรนะ มันจะระเบิดแล้วก็ผ่านผ้าชีวิตผู้คนคนะือ ท, ท่านพูดนะท่านเปรียบเพื่อให้เราตระหนักว่าทุกคนเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับระเบิดที่ยังไม่ได้จุดนะเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเปรียบเหมือนกั บ, กบระเบิดคือสามารถจะก่อความฉิบหายกับคนอื่นได้แม้จะไม่มีอาวุธเลยนะก็สามารถจะเปลี่ยน ไอสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้กลายเป็นอาวุธอนุภาพแรงสูงได้เนะี่ยอย่างพวกที่ยึดเครื่องบินนะสองลำแล้วก็อาศัยเครื่องบินนั่นแหละนะเปลี่ยนให้กลายเป็นระเบิดนะระเบิดทําลายตึกแล้วก็ฆ่าผู้คนทําไมถึงว่าเราแต่ละคนเนี่ยเปรียบเหมือนกับระเบิดที่ยังไม่ได้จุดนะก็เพราะคนเรา ปุถุชนก็ยังมีความโกรธความเกลียดนะไอ้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันสามารถทำให้ทุกอย่างที่เรามีหรืออยู่รอบตัวเรานี่กลายเป็นอาวุธได้นะสามารถจะทำให้มือของเราเนี่ยใช้ทำร้ายผู้คนได้ใช้ทำร้ายคนรักใช้ทำร้ายพี่น้องใช้ทำร้ายคนผัวเมีย หรือแม่กระทั่งพ่อแม่ก็กได้ไม่ใช่แค่ทุบตีนะแต่อาจจะทําให้ถึงตายได้ไม่มีอาวุธนะแต่ฆ่าคนได้เพราะความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอวัยวะในตัวเราให้กลายเป็นอาวุธนะก็เปลี่ยนมันกับระเบิดที่ยังไม่จุดก็จริงนะแต่พอมีความโกรธความเกลียดเข้าระเบิดมันก็แตกเลยนะคนเราแต่ละคนเนี่ย ให้เราตระหนักว่าตราบใดที่เรามีความโกรธความเกลียดอยู่นะก็แสดงว่ายังมีระเบิดอยู่ในใจเรายังมีอาวุธลายอยู่ในใจเรานะแล้วมันก็พร้อมที่จะระเบิดได้นะวันดีคืนดีก็ตูมทำร้ายผู้คนอาจจะแค่บาดเจ็บหรืออาจถึงล้มตายอาจจะแค่คนเดียวหรืออาจจะหลายคนก็ได้ อันนี้ไม่เดียวยกเว้นนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กหรือแม้แต่พระเนี่ยตราบใดที่ยังมีความโกรธความเกลียดนะไอระเบิดที่ยังไม่จุดเนี่ยมันก็สามารถจะตูมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วทาไมถึงมีความโกรธความเกลียดนะก็มีหลายปัจจัยนะความโลภ ก, ก็เหมือนก็เป็นเหตุนะมีความโลภไม่ได้อย่างที่ต้องการมีโรคะ มีราคะมันก็ทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเวลาไม่ได้ดังใจอย่างพวกที่เป็นฆาตกรค่าขมขืนเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากราคานะมันมีราคาเป็นตัวนำก่อนเสร็จแล้วพอราคามันผลักดันให้ทำตามกิเลสนะพอมีอีกฝ่ายหนึ่งขัดใจเยือนี่ต่อสู้มันก็โกรธนะ พอเหยื่อควรหรือตบตีมันก็กลายเป็นเกลียดแล้วก็ทำร้ายเหยื่อนจนถึงตายเนี่ยคนธรรมดานี่ก็สามารถจะกลายเป็นฆาตรกรได้เพราะความโกรธความเกลียดเพราะมีเริ่มต้นมาจากไอราคะหรือโลภะเนี่ยลูกบางคนก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะเพราะอยากได้พินัยกรรมอยากได้มรดกเนะี่ย อิจฉาเสียใจที่พ่อแม่ให้ให้น้องมากกว่าตัวเองคนที่เป็นพี่นี่ก็เลยหาทางฆ่าทั้งน้องทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อจะฮุบมรดกคนเดียวนะอันนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วคนที่ทำนี้ได้เนี่ยไม่ได้ทาด้วยความรักนะทำด้วยความโกรธความเกลียดและที่โกรธเกลียดได้เพราะมันมีความอยากนะเป็นเป็นมูลความโลภนั่นเองความโลภนะ สาวแฝงจริงก็คือความยึดติดถือมั่นนะแล้วคนเราไม่ได้ยึดติดถือมั่นเฉพาะวัตถุสิ่งของเงินทองนะเรายังยึดติดถือมั่นในความคิดในทฤษฎีในอุดมการ์ด้วยคนที่เขาไปยึดเครื่องบินแล้วก็บังคับคือบินไปทรมตึก World t r นี่นะเขาก็ไม่ใช่เป็นฆาตา ก, กรหรือผู้ร้ายโดยนิสัยสันดานนะ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีฐานะแล้วก็ความประพฤติดีนะแต่เขามีอุดมการเขามีความยึดติดถือมั่นในศาสนาของตัวแล้วก็คิดว่าเขาทำพื่พระเจ้าอไอ้การยึดติดถือมั่นแม้แต่ยึดติดในความดีในศาสนาเนี่ยก็สามารถจะทำให้คนทำชั่วได้นะ ยึดติดความดีก็ทําให้เราทําชั่วได้เพราะว่าเรายึดติดถือมั่นในความดีมากๆใครที่ไม่ดีเหมือนเราไม่ดีอย่างที่เราคิดไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังเราก็จะเกลียดเขาและถ้าเกลียดเขามากๆก็เห็นเขาเป็นเป็นมารร้ายที่จต้องกําจัดนะไอ้ตรงนี้แหละที่ มันเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาเล่นเข้ามาครอบงำใจนะเกลียดคนที่ไม่ดีเหมือนเรานะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นคนไกลตัวบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกก็ไดนะ้พ่อแม่บางคนก็เกลียดลูกนะที่ประพฤติตัวเกกงไม่เลยเกยรเรนะเดิมทีก็โกรธก่อนนะแล้วก็เกลียดนะลูกไม่ดีเหมือนพ่อแม่ลูกเถียงพ่อแม่นะ ก็ตบเลยนะหรือว่าใช้กำลังบางทีหนักกว่านั้นนะถึงกับฆ่าก็มีนี่ขนาดคนใกล้ตัวนะนาภาษาอะไรคนที่อยู่ไกลตัวหรือคนต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยมันยิ่งต่ยึติถือมั่นในความคิดทฤษฎีอุดมการยึดติดในชาติในเผ่าในภาษานะมันก็ทำให้เกลียดคนที่มีภาษามีศาสนามีชาติ มีอุดมการ์ต่างจากเราแล้วก็พร้อมจะฆ่าพร้อมจะทําลายได้นะนั่นเป็นความยึดติดถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะโดยเพราะยึดติดถือมั่นในอุดมการณ์ในศ า, าสนาศาสนาทุกศาสนาก็สอนไว้ดีนะแต่ถ้ายึดติดถือมัน่นหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกนี่ก็สามารถทําให้เกิดความฉิบหายหรือนําไปสู่ความชั่วร้ายได้ อย่างที่พระเจ้าตัดว่าญาคาเนี่ยนะถือว่าไม่ดีย่อมบาดมือความเป็นสั ม, มณะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องย่อมฉุดไปนรกนะอันนี้ก็รวมถึงความคิดาศาสนาอุดมการดีด้วยนะถ้าใช้ไม่ถูกเกี่ยวข้องไม่เป็นนีมันก็พาให้เราทำชั่วกลายเป็นระเบิดที่ทำร้ายผู้คนในการสิบเกันยานี้ต้องมองนะให้โยงมาถึงตัวเรา ถ้าโยองก็จะได้ประโยชน์และถ้ายงมาให้เห็นว่ามันสอนทำอะไรกับเราบ้างเนี่ยก็นะเราจะได้ระมัดระวังไม่ประมาทอาแล้วก็เตรียมรับพร